มีอุปปิสัยจะพึงได้วิชาสามอภิญยาหกและปฏิสั ม, มิทายานหากว่าท่านจะถามว่าผมรู้ได้ยังไงในฐานะที่ผลพป้นพระแล้วผมก็แน่ใจว่าผมเป็นพระผมขอรับรองความรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ให้ผมมาผมรับมาแล้ว ผมก็จะสอนท่านได้ทุกประเภทคือทั้งสุขวิปัสสโกติวิโชชะละิญโยปฏิสัมพิทัปโตแต่ถ้าว่าเวลานี้ผมจะไม่ยอมสอนท่านในส่วนสามรายการจะสอนจะสอนแต่เฉพาะสุขวิปัสสโกเท่านั้นเพราะเป็นทางนี้เข้าถึงจุดได้เร็วแต่ท่านองค์ใดมีอุ ป, ปนิสัยที่จะเป็นส่วนแห่งตีวิโชคือวิชาสาม เชลพินโยปิยาหกปิสัมมิททัปปโตคือปิสัมมิทายานนั่นก็ให้ศึกษาเอาเองตามอัธยาศัยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาการเวลาของผมมันเหลือน้อยจะขืนสอนเยียดเย้อไปพวกท่านอันหลายจะเอาตัวไม่รอดผมมีความต้องการอย่างเดียวให้ท่านอันหลายมีความเป็นพระขันตนอย่างน้อยเป็นประโสดาบัน เพราว่าท่านทั้งหลายจะาถามผมว่าผมเป็นอะไรผมตอบท่านได้อย่างเดียวว่าผมเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างอื่นเมื่อท่านทำเข้าถึงท่านจะรู้เองแล่เรื่องที่พระท่านหลายปฏิบัติผิดพวินยัยไปนรกกันเกลื่อนและกาลังเตรียมตัวจะไปนรกกัน อย่างนี้เราจะรู้ได้ด้ยอำนาจทิพย์ไุยาน <c oughs> ถ้าว่าท่านสามารถทําทิพย์ไุยยานให้เกิดเมื่อไร่ท่านจะวิสูจน์ได้ทันทีว่านักบวชคนใดที่กําลังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้จะมียศฐานมรนดาศักย์ใหญ่เล็กเพียงใดก็าตามเวลานี้จิตใจของเขาเป็นยังไงอธิษฐานในกายคือกายที่จะไปจากร่างนี้มีสภาพเป็นยังไง เขาจะไปสวรรค์หรือเขาจะไปนรกท่านไม่ต้องเป็นเห็นหน้าเขาเพียงได้ยินชื่อเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่าคนที่เขาว่าดีที่นักบวชที่ว่าดีเป็นครูบาอาจารย์เป็นคณะบริหารคณะสงฆ์หรือมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่เพียงใดก็ตามทีคนนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหน เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับบุคคลหรือท่านนักบวช ท, ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะรู้เพียงแค่ฌานโลกีเรียกกันว่ามีความรู้แค่หางอ่งเท่านี้ก็รู้ได้ถ้าเราสนใจในพระพุทธศาสนาจริงๆเมื่อก่อนที่เราจะรู้อย่างนั้นเราก็จําเป็นอยู่เองที่จะต้องปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์ ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวเอาดีอะไรไม่ได้เลยทั้งพระทั้งครวญวัดทั้งเลนนี่สิขาบทต่างๆที่กล่าวไปแล้วนี้ทั้งหมดขอให้ปฏิบัติร่วมกันทั้งพระทั้งเลนเลนก็ชื่อว่าเป็นเหล่ากอของพระพุทธศาสนาซึ่งเหล่ากของประสงค์เตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปฏิบัติเช่นเดียวกับพระ พระปฏิบัติได้เราก็ปฏิบัติได้ไม่มีใครห้ามถ้าเราปฏิบัติได้แสดง ว, ว่าใจของเราเป็นพระก่อนที่จะบวชถ้าบวชเข้ามาแล้วใจไม่เป็นพระนั่นน่ะมีโทษหนักมากถ้าใจไม่เป็นพระสักอย่างเดียวก็เป็นคนไม่ได้ด้วยอย่างดีที่สุดก็เรียกว่าเป็นสัตจจะฉานเลวลงไปกว่านั้นก็เป็นสัตว์นรก จะได้ขอบรรดาสมณะทั้งหลายเมื่อฟังสิขาบทสำหรับพระก็ให้ปฏิบัติตามไปด้วยจะจะช่วยให้บรรดาสมณะทั้งหลายได้เป็นพระทัางแต่ยังไม่ครบการอุปสมบทเพราะความเป็นพระนี่อยู่ที่พระธรรมวินยัยความจริงธรรมวินัยนี่เมื่อเราปฏิบัติได้จริงๆเราก็ยังไม่เป็นพระเป็นบันไดก้าวแรกที่เราเข้าไปสู่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระเท่านั้น ถ้าพลาดมันก็ลงนรกเราจะเป็นพระลานได้เพราะอาศัยปฏิบัติในสมถกรรมฐานนิพพานากรรมฐานจึงเข้าถึงประสูดาบันเมื่อเข้าถึงประสดาบันแล้วเราวางใจได้และไบยภูมิเราไม่ต้องไปเพื่อการปฏิบัติตนเพื่อพ้นนาบยภูมิมันเป็นอตนัอตโนมัติสําหรับใจไม่ต้องรมัดระวังอะไรเราก็ไม่ไปแล้ว และต่อจานี้ไปจะขอพูดถึงวิ น, นัยในหักในข้อในืว่านในวรค่เรียกว่าสหาธรรมมิตรวรคือวรคที่กล่าวถึงผู้ที่ประกอบปฎิธรรมมีสิบสองที่ขาบทด้วยกันองค์สมเด็จพระบิดาจตมานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตัดไปอย่างนี้ว่าหนึ่งทิกสุ คำว่าพิสุจึงแปลว่าเป็นผู้เห็นภายในสงสารพิสุไม่ใช่แปลว่าผู้มีสันดานหยาบคายหรือว่าสันดานเลวแล้วกอบไปด้ความโลภความโกรธความหลงหรือบูชาความรักไม่ได้ากามารมอย่างนี้เขาไม่เรียกพิสุเขาเรียกผู้ทุศินที่ข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าพิสุระพุทธนาจารย์ พิสู่อื่นตักเตือนพูดผัดเพี้ยนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพเจ้าจะไม่ศึกษาในสิขาบท น, นี้ต้องอาบัดปาจิตีท่านกล่าวต่อไปว่าธรรมดาพิสุผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรจะไต่ถามไล่เลียงท่านผู้รู้นี่ตามสิขาบทท่านว่าไว้อย่างนี้ ตอนนี้เรามาวิจารณ์ด้านสิขาบทคำว่าประพฤทธอนณาจารย์สำหรับชาวบ้านเขาถือว่าต้องแก้ผ้าเดินหรือไปปลุกปล้ำธรรมนาจารยกนกลางถนนทนนทางเป็นที่โล่งแจง้งอย่างนี้เรียกว่าอนณาจารย์อาณาจารย์ของชาวบ้านสำหรับอนณาจารย์ทางด้านพระวินัยต้งแยกสับออกเป็นสองอย่าง คืออักกับอาจาระอาจาระก็จึงต้องเราตัดออกไปเป็นอากับจระแปลว่ามีความระพฤติั่วอาจาระเนี่อยนาจาระแปลว่าไม่ยอมระพฤติั่วคือไม่ยอมระพฤติในวินัยให้ครบถ้วนมีการขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอนาจาร นี่เป็นอันมาสิขาบททุกสิขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้ปฏิบัติถ้าเราบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่บัตรทุกกฎและทุกภาสิตซึ่งเป็นอันบัตรเล็กน้อยที่จะบรรดานบรรดาพวกท่านอัหลายไปเกิดเป็นสติระชานไม่เกิดเป็นเปรตแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเราละเมิดก็ถือว่าเป็นผู้ประพฤตอนาจารเหมือนกัน อ า, าจารย์ถ้าแปลศัพท์ง่ายๆกัเรีว่าเลวเต็มทีเลวอย่างช น, นิดที่เรลยว่าไม่ควรครบจําไม่ได้ยนะด้นี้สําหรับท่านที่มีความประพฤติเลวเลวแล้วละเมิดสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งแม้แต่เล็กน้อยก็ชื่อว่ามีความเลวเลวอย่างนี้ไม่ควรแก่การบูชาของชาวบ้าน แต่กิงข้าวของชาบ้านรับประเคงของชาบ้านรับไหวาจากชาวบ้านทีไรก็ต้องนึกว่าเราลงนรกแล้วหนึ่งขุมเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของนรกขุมใดขุมหนึ่งแน่นอนเชิญจงอยา่าพยายามเลวีวเรื่องพระวีไนนี่นักศึกษาเอานักสอนผมเองก็เคยรับฟังมา เราไม่จะสอนให้ช่วยกันเลี่ยงพระวิ น, นัยสร้างความชั่วไม่จะสร้างความดีท่านพวกนี้ไม่มีทางจะเกิดแม้แต่เป็นมนุษย์แม้จะเกิดเป็นสติฉานก็เกิดยากพระวินัย น, นี่เราควรปฏิบัติให้รัด ก, กุมเท่าไรก็ยังดีไม่ใช่หาทางออกเราต้องปฏิบัติเพื่อการรับรับตัวเข้ามาให้มากเพื่อความดีของเรา แในเมื่อเราปฏิบัติพระวินัยรับตัวใจเคร่งคัดจนขยับไม่ไหวยังเป็นพระไม่ได้พระพุทธเจ้ายัางเรียกว่าสมมติสงอ์ก็ลองคิดดูที่ว่าไม่ควรปฏิบัติกันแบบไหนนี่เรามาคุยกันต่อไปมเมื่อเมืุ่ทธองค์บรรดาพิสุผู้มีความชั่วเรียกว่าใจชั่วเพื่อพุทธไม่ทั่วถึงในด้านพระวินัยที่เรียกันว่าอนาจารย์ ที่สู้อื่นตักเตือนก็ยังไม่ยอมรับกลับมาพูดผัดเพียนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนก็คนที่เขาเตือนเขารู้แล้วไอ้ทําแบบนี้มันเป็นการประกาศเล่ห์เหลี่ยมมัมยังไม่ถามท่านผู้รู้ก่อนแล้วก็คนที่เตือนเี่ยถ้าเขาไม่รู้เขาจะเตือนได้ยังไงถ้าใจของเราดีมันก็ต้องไม่เป็นคนโหัวดื้ คนหัวดือยอย่างนี้มีทางเดียวคือลงนรกอยากจะบอกว่าลงอเวจีมหานรกที่ผมกล้าสู้กับท่านต้องคิดว่าภายในไม่ช้าพระที่อยู่ในเขตของเราจะมีท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่านที่มีวิสัยเป็นวิชาสามเล่ยพิญญาหกก็จะได้ทิพย์เปโกุยานแล้วตอนนั้นนะถ้าผมพูดอย่างนี้ผมโกหกท่านท่านก็จับโกหกผมได้ แต่ผมก็ไม่กลัวท่านจะจับโกหกผมถ้าท่านจับเมื่อไรเมื่อนั่นแหละท่านจะรู้ว่าที่ผมพูดนี่มันยังเบาเกินไปความจริงผมควรจะพูดให้มันหนักไปยิ่งวันนี้นี่ผมกล้าสู้กับท่านผมเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสรงทันบรมศ า, ศาสตร์ันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความรู้ผมไว้ไม่ติดทาง ไม่พูดกันต่อไปว่าเมื่อข้าพรเจ้าจาักไม่ได้ศึกษาสิขาบทนี้เราจะต้องถามท่านพู้รู้ก่อนถามว่าทําการหลีกเลี่ยงแบบนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านต้องอามบัตบายจิตตีเนื้อบัตบาจิตตีนี่พระที่เคยสอนนักธรรมผมท่านบอกว่าเป็นอบัรมเล็กน้อยผมก็ไม่โทษท่านในฐานะาทัศที่ท่านเป็นครูใบอาจารย์ผมยอมกรรับ ตีตอนผิดทางพระวินัยนี่ผมไม่ยอมเดินตามด้วยถ้าไม่ยอมช่วยท่านเป็นสัตว์นรกไม่เอาละ่ะครูผมเคารพแต่ว่าความรู้ผิดความเห็นผิดการรับฟังผิดมานี่ผมไม่เคารพผมเคารพในความไม่ตาของครูแต่ผมไม่เคารพในการเป็นมิจฉาทิฐิที่มีความเห็นผิดจากคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ครูบายอาจารย์ผมพบมาใดผมไหวมานั้นนี่ผมไหวครูของผมแต่ไหวตอนที่ท่านปฏิบัติผิดนี่ผมไม่ไหวผมไม่ไหวตัวผิดผมไมหวตัวครูซึ่งปายจิตตีจิตเป็นบาปแต่ท่านก็ทราบแล้วว่ามันลงนรกถ้าอย่างนั้นนะก็ขอท่านหลายจงยาทําตนเปนอรอะทีคือเป็นนักไก่ด้านและหน้าด่านอย่าดื้อแพ่งต่อต้านคำสอนขององค์สมเด็จตระสมมาชัมพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสมาอย่างไรปฏิบัติไปอย่างนั้นเราจะมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมรารยคภพนี่มาข้อที่สองเขาเรียกเขาว่าสิกขาบทไอ้สิกขาบทกับข้อมันก็แค่กันไม่จําเป็นจะต้องไปพูดถ้ามันถูกมันผิดมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดทําจิตของเราให้บริสุทธินดีกว่าสิกขาบทที่สองหรือข้อที่สอง พระพุทธเ จ, จ้าสัมพงษตรัสว่าที่สุอื่นท่องปาฏิโมกข์อยู่ที่สุกแกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหะต้องปาจิตตีคําว่าปาฏิโมกข์นี่ก็แปลว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าในด้านพระวินยัยเพราะว่าท่านท่านบูญใดปฏิบัติอยน่ในวินยัยกําลังท่องจำพระวินยัยเลือกฟังพระวินัยอยู่ กำลังสนใจในเรื่องของพระวินัยพิสุกแกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหาสะแสดงว่านี่จะไปนั่งท่องมันทําเกลืออะไรพระวินัยเราไม่ปฏิบัติที่อย่างเดียวมันก็พอแล้วสบายใจใครเขาจะรู้ใจของเราเมื่อขืนปฏิบัติในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนน่ะมันจะยืดมือยืดเท้าก็ไม่ได้ ตัวอย่างเมื่อพระพุทธเจา้าทรงนิพพานใหม่ๆ ม, มีลุงตาแก่แกเป็นอรา ร, รัจฉีพอรู้ข่าวองค์สมเด็จพระจินนสีทรงนิพพานก็นดีใจว่าพระสมณะโคดมตายเสียได้ก็ดีแล้วตอนที่อยู่ในเต็มทีอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ใช้ไม่ได้ยันน้นก็ห้ามอย่างนี้ก็ห้ามเหมือนกับเราจะเหยียดมือเหยียดเท้าก็ไม่ได้ อย่างนี้พระสงฆ์ทั้งหลายมีพระมหาหิจัตตปยังได้ทำบัตถมสังขายานาประเห็นว่าพระวินัยเป็นรากแกวของพระพุทธศาสนาจึงสังขายานาร้อยกองเรียบเรียงกันขึ้นไว้นี่ก็เหมือนกันพิ่สุอื่นที่ท่องถ้าปาดีโมกคืออ่านทวีไนคำว่าปาดีโมกไม่ต้องไปว่าชุนนาตุเมเปนเตสังขวนี่ยว่าไปก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าท่องไว้น่ะดี ท่องเป็นบาลีเข้าไปแล้วก็ท่องภาษาไทยในนวโกวัตนวโกวัตท่านก็แปลมาจากบาลีคํา ว, วา่าปาดิโมกปาดิมุขะแปลว่าออกจากสิ่งที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนเราต้องบูชา ย, ยิ่งกว่าชีวิตนี่แกล้งไปพูดในเขาใคราอุตสาหะวิริยะจะได้เจตนาอย่างใดก็ตามท่านปรับเป็นอบัติปาจิตี ที่้าบทนีพระองค์นี้ลงรกสบายนี่ผมกล้าท่านท้าท่านนะคงรู้ว่าพวกท่านยันได้ทิฏฐิขรยานวันที่พูดนี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุ น, นายนสองพันห้าร้อสิบแปดพระถึงอยู่ในขอบเขตของผมมีวิสัยวิชาสามปัญญาหกปฏิสมิธายานมีอยู่แต่ผมก็ไม่บอกว่าใครมีนิสัยเป็นแบบนั้น แต่ปฏิบัติไปแล้วจะได้เองน่าได้แล้วก็รู้เอาเองผมจะบอกท่านไปทำไมไม่ใช่นาทีของผมจะบอกเ้าว่าท่านได้ทิพยคุยานมาไราท่านลองดูนะว่าผู้ที่ทำให้เขาเสื่อมคลายศรัทธาในการในวิทยะอุตสาหะในพระพุทธศาสนาในพระวินัยและธรรมะก็ตามเพราะวัดปฏิบัติ เลิกหลั่นแกล้งเขาให้รับความลำบากในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยุยงส่งเสริมให้เขาประพฤติปฏิบัติชั่วตามไปดูดิพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนท่านได้ทิพย์ปิจุพยานแล้วเจโตป ร, ริยติยานคนได้มันได้เจโตป ร, ริยติยานแล้วแล้วก็รู้ อ, อนาคตตังตยานเราใช้ยานทั้งหลายต่างๆ ต, งๆตรวจ ด, ดูใจของคนนั้นเราก็จะพบภาพที่แท้จริง ว่าเขาจะต้องไปดิ้นอยู่ในนรกขุมไหนไฟไหม้ขนาดไหนทุนอาวุธประเภทไหนทําลายเขาบ้างนี่ความสุขใจของท่านจะเกิดมาสิ่ขาบทที่สามพิสุ ต, ต้องอบัตแล้วแกล้งพูดว่าข้าพเจ้าคงรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปราฏิโมกข้าพิสุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแต่แกล้งพูดกันคนอื่นเขาว่า การ น, นินทาเนะี่ยการตีเตียนซึ่งสวดประกราศความข้อนั้นเมื่อส่งสวดประกราศแล้วกแกล้งทําไปไม่รู้อีกต้องอาบัตปายุติข้อนี้ก็หมายถึงว่าอาบัติที่ต้องเนะี่ยมันต้องแล้วมันโดนแล้วมีโทษแล้วพอเขาจากเตือนเข้าก็บอกเอ้ยนี่ฉันเนีไม่รู้นี่จ้ะฉันเนี่ยไม่ได้อ่านถ้าบวชก็พระเป็นพระเข้ามาแล้วไม่รู้พระวินัยเนี่ยมันไม่เชพพระ เลวกว่าสัตว์ปีเลียนนแล้วนี่ถ้าว่าความจริงนี่เธอรู้แล้วแต่แกล้งเป็นไม่รู้ไม่ใช่สัตว์ปเลียนนแล้วเป็นสัตว์นรก <c oughs> อย่างนี้พอหาง่ายคนที่เป็นคู่สวดอุปัชฌาย์เป็นเจ้าคณะต่างๆนี่ปฏิบัติลงนรกกันแบบสบายๆเยอะแยะเมื่อท่านนั่งหลปฏิบัติเข้าถึงความจริงของพระพุทธศาสนาต้องตรวจดู ว่าคนเดียวก็เคยเป็น ส, เนสมเด็จพระราชาคณะผู้ใหญ่มีงานใหญ่มีหน้าที่ใหญ่ตายแล้วเขาไปไหนกันบ้างมีใครไปสวรรค์ไปพรท ม, มโลกไป น, นิพพานกี่คนลงนรกเท่าไหร่ผมขอให้ตัวเลขง่ายๆไปว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่มีโอกาสเกิดแม้แต่เป็นมนุษย์ฟังไว้ทนี้ก็แล้วกัน ตอนนี้มาบัตรเดิมต้องก็ต้องแล้วถูกไปแล้วมาแกล้งแกล้งบอกว่าไม่รู้เขาเตือนคาว่าประกาศสวดระกายก็หมายความตักเตือนกันนั่นเองไปชมกันบอกว่าคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกนะมันเป็นความชั่วผิดข้ามวินัยแล้วก็เลยบอกผมไม่รู้นี่เขารับแล้วก็อีกล่ออีกตัวหนึ่งไปยิตี ตัวนี้เป็นปลาจิตีตบาบัตที่ร่วมมันแล้วเป็นตาบัตประเภทไหนตัวนั้นมันเล่งไงเขาแล้วนี่อย่าทนะํานั้นแบบนั้นอย่าทํามันเลวถ้าเราจะไปนั่งวัดกระโปรสัตย์าจฉันที่เลี้ยงและที่เดินกลางถนนเราสู้มันไม่ได้ถ้ามีใจแบบนี้มีสิขาบทีสี่ผู้ที่พิสุโกรธให้พระหานพิสุอื่นตบาบัดปลายจิตี ไอ้ตัวโกรธนี่มันลงนรกอยู่แล้วเนี่ยตัวตัวโกรธนี่มันไม่ใช่คำว่าประเสริฐพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐจะโกรธได้ยังไงแล้วก็สมณะแปลว่าสงบในเมื่อเราโกรธมันก็ไม่สงบที่ขูแปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารถ้าโกรธแล้วจะเห็นภัยได้ยังไงไปตัวโกรธมันพาให้เกิดแล้วเกิดที่ไหนล่ะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก่อนแล้วเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัติรชาน แล้วจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ลำบากแสนลำบากหน้าตายุยยี่หาความดีในลูกโฉมน่นพันไม่ได้แล้วก็จะมีความลำบากยากแค้นเกิดขึ้นมาที่ไรก็ถูกทำร้ายมีเดืทุกขท์กขทรมานจะไปทางไหนก็มีคนใหญ่จะประหัสประหารนี่โทษของความโกรธผ้าเหลืองนะั้นไม่ได้ ก, กันนะรกได้ และยิ่งผมพระเหลึงให้ชาวบ้านเขาไหว้แล้วเป็นนักโกรดด้วยโดยมีโทษสองอย่างหลอกลวงชาวบ้านลักเพ ข, ของพระกรรมครองทำตนเสมอพระกรินข้าวกับพระนอนกับพระคุยกับพระเข้าสังฆกรรมกับพระทำลายความดีของพระพุทธศาสนาหมดเร็จโลงนรกกวจะขุจะเกิดพระพุทธเจ้าตับไปแล้วยี่สิบองค์ยังไม่โผล่ขึ้นมา นี่การให้โกรธแล้วให้ประหารคำว่าประหารนี่ไม่ได้ตัดคอกันหมายถึงว่าตีนั่นเองเอามือตีอไม้ตีเอาก็ตามเถอะอย่างนี้ท่านปรับเ ป, ป็นอับัับปลายจิตตีให้ดอทิบ่ายมากข้อดี่ห้าพิสุกโกรธใหม่แล้วไอ้ตัวนรกนี่ใหม่แล้วโกรธเงื้อมือดูจะให้ประหารพิสุอื่นต้องอับัับปลาจิตตีนี่ทําท่านะ ทำท่าไว้ฉันจะตีนายละฉันจะฟันนายละฉันจะยิงนายละนี่เป็นอวบัตปลายิตีขึ้นเชื่อว่กิดลงนรกสบายไม่ต้องห่วงจิตมันชั่วก็ดีออกพิสูจน์โจดฟ้องพิสูจอื่นเรื่ออวบัตสังฆาดิเศษที่ไม่มีมูลต้องอวบัตปลายิตีคำว่าไม่มีมูลนี่ไม่มีเหตุพอสมควรเราควรจะกล่าวว่าแกล้งฟ้อง ถ้าไม่มีเหตุมีทอสมควรแสดงว่าตัวขาดสติสัมัญญะเป็นอนวัณใจเนี่ยมันเลวแสนเลวขาดการไข่ครวรพระพุทธเจ้ากล่าวว่านิสสมะกระนังเสยโยใคร่ควรเสก่อนยิงคนทําดีกว่านี่เราเป็นพระนี่เราเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้สงบเห็นภายในสงสารจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ต้องไข่ควรก่อนถ้าไม่ไข่ควรก่อนไปทําเข้า ผมว่าเขาไม่ควรเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงผมจะไม่ว่าอย่างนี้ท่านผูนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเป็นมนุษย์แล้วผมไปนิพพานตั้งนานท่านผูนี้ยังไม่ขึ้นมานี่ผมไม่ได้ยกย่องตัวผหนกหมายความว่าถ้าผมจะไปเกิดเป็นสัตว์เดชานแล้วเดี๋ยวผมก็กลับมาเป็นสัตว์มนุษย์ดีไมด่ดีผมก็ย่องย่องย่องไปทีละน้อยเดีน้อยก็ถึงพระนิพพาน แต้พวกนี้ดันลงไปนรกนี่โอ้โหนานนักผมเป็นนอนตีแขนงที่นิพพานนี่จึงกระดูกผูแล้วพวกนี้ยังไม่โผล่จกนรกเลยพะวันเดือนปีระหวางมนุษย์สวรรค์กมโลกกับในนรกมันไม่เท่ากันเอาไว้ว่ากันต่อไปข้อที่เจ็ดพิสุกแกล้งก่อความรำคารให้เกิดแก่พิสุอื่นต้องอบัตรตาจิตี นี่แกล้งก่อความหลงคัร์ให้แก่บิสุด้วยกรณีต่างๆซึ่งเขานั่งอยู่เขาจะไม่ทําอะไรก็ตามไม่ภาวนาและพิจารณาไม่ดูหนังสือหน้งหานั่งแบบสบายแล้วก็ไปแกล้งร้อยเกิดความหลงคัร์ไอตัวแกล้งตัวนี้เจตนามันชั่วลงนรกไปหนึ่งละถ้าเขากําลังฟังธทมศึกษาพราะธรรมวินัยอยู่แกล้งก่อความหลงคัร์ สบายเลยตัวนี้เอาเวจีมหานรกทีเดียวเพราะพระนี่ชอบลงเอเวจีนี่ครัว่าเขากําลังฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างชาวบ้านเขาฟังเทศฟังธรรมแกล้งส่งเสียงกรบไอ้นี่ลงเอาเวจีมหานรกเป็นกันนี่สิขาบทนี้ต้องระวังให้ดี นี่นักสอนน่มันจะสอนเลี่ยงกันอนบัตรไม่เป็นไรสนแสดงก็ได้ให้สแสดงมันตกตรงไห น, สนแสดงเป็นระเพประกายความชั่วยับยั้งความชั่วเท่านั้นความเลวที่มันเลวแล้วมันจะดีขึ้นมาได้ยังไงนอกจากว่าเราจะสร้างความดีหนีความเลวให้ได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเป็นคนใจเบาถ้าเราเลวพอสมควรประกายความเลวตนหน้าสง เรายับยั้งอย่าทํามันต่อไปสร้างความดีหนีความเลวให้ได้มันอยากเลวมาแล้วสร้างความดีให้หนักอดทนมันเข้าไว้อดทนชาตินี้ไม่กี่ปีเราก็ตายตายแล้วเราไปสวรรค์อย่างเร็วที่สดุดนอนตีพุงให้มันสบายมีนางฟ้าแวดล้อมไอ้อยากมีเมียมืองมนุษย์แต่จะไปมีมันเลยมันเหม็นทั้งตัว และในสุดก็ไม่สวยจริงเดี๋ยก็แก่เดี๋ยวกเลาเยหน้าตาก็บดมบึง้งดีเวลายิ่งคนหน่ารักเวลาหน้าบึง้งก็หมายคนหน้าเกลียดไม่มีเมียนางฟ้าดีกว่าแกยิ่งตลอดเวลาแกหอมตลอดเวลาความแก่ความโทมไม่มีสําหรับนางฟ้าโอ้ดีจริงๆนี่ก็อัจริ ง, มรงผมบทที่แรกผมก็อยากมีเมียนางฟ้าเหมือนกัน แต่บวชไปบวชมาเองแก่เขานึกสู้นางฟ้าไม่ได้เลยไม่เอาแล้วตอนนี้เลิกขอทำหนังสือหย่า ก, กับนางฟ้าก็ อ, อะไรเพราะว่าถึงแม้ผมจะอยากได้แกเป็นเมียแกก็ไม่ยอมเป็นเมียผมแล้วผมจะไปงอแกทําไมเรื่องอะไรตอนนี้ไปแกล้งก่อความอำคาในจิตมันชั่วเอาเวจีนะอย่าลืมนะข้อ น, นี้ก็ลง เ, เวจีนักสอนพระวีไนสอนก็ทรงเด็ด อม บ, บัตลงอา บ, บัตตกลงอา บ, บัตแล้วก็ลงนรกตกนรกสบายนี่จะไปเชื่อพระเปรตทั้งหลายเหล่านั้นผมไม่เชื่อเพราะแล้วผมไม่เรียกพวกนี้ว่าเป็นพระผมเรียกว่าเปรตนี่ผมเกรงใจเต็มทีแต่ผมจะเรียกบัตรศัตว์นรกขุมใดขุมหนึ่งที่โตที่สูงขึ้นมากว่า เ, เวจีก็ยังเกรงใจอยู่นั่นแหละผมจะควรจะเรียกว่าสัตว์นรกในือเวจี เขาทำลายความดีของคนอื่นไอ้ตัวเลวแล้วไม่พอกแกล้งทาลายความดีของคนอื่นเอาเวจีเขาจะรับหรือไม่รับผมก็ยังหนักใจดีไม่เดียว เ, เวจีเขาอาจจะไม่รับจะปลองไปรอการบรรจุดีที่โลกันตนนกก่อนก็ยังได้นี่สำหรับอวบปลปยตีตัวนี้นะสะวังให้ดีนี่ข้อดีแปดพิสุกําลังมีไหว้กัน นี่มันไม่ใช่พิกสุแล้วผู้เห็นภายในสงสารเขาจะวิว่ายกันทําไมถ้าวิว่ายกันแบบนี้ถ้าเป็นสัตว์ใจฉันก็ยังดีมันเป็นสัตว์นรกแล้วพิสุก็แปลว่าผู้สงบผู้เห็นภายในสงสารธรรม น, นับแปลว่าผู้สงบพระแปลว่าผู้เบิกเริดยัง จ, จะมีการวีวหว้กันอีกเอาละเขาวิว่ายกันก็แล้วกันเขาเป็นสัตว์นรกแล้วแต่นี้เรา เราอยากจะเป็นมั่ง ย, งย่องย่องย่องแอบไปฟังความเขาเพื่อจะได้รู้ว่าขณะที่เขาทะเลาะกันอยู่น่ะเขาว่าอะไรเราหรือว่าพาว่าพวกของเราบ้างนี่ลักสณะการ ย, ย่องย่องนี่ใจมันไม่ดีใจมันเลวเพราะมีอารมณ์อิจฉานิศยาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าคนดีจริงๆล้วไม่มีใครตัวใครเ้านินทา นี่สนแสดงว่าเรานี่มันเร็วเต็มทีแล้วจะได้กลัวเขานินทาเมื่อมีความกลัวเขานินทาอาศัยความเร็วไป จ, จําใจอยู่ไปไหนนะถ้าบอกว่าเป็นอาบัติปาจิตติจิตเป็นบาปจิตเป็นบาปกาจ็จิตชั่วจิตเตสังอิดิษฐเททุท ก, กติปารีกังขาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าจิตของเราเศร้าหมองได้จิตชั่วตายแล้วลงนรกสบายดีไหม าสบายแล้วไม่สมบายก็ตามใจท่านพูดมากเต่ว่าไม่ไม่ทันหมดเวลานี่สิขาบบทอิสิตเมื่อสงกําลังไปชมกันตัดสิ้นความข้อความข้อใดข้อหนึ่งผู้สุดใดอยู่ในที่ไปชุมนั้นถ้าจะหลีกไปในขณะที่ตัดสิ้นข้อความนั้นยังไม่เสร็จก็อมอบให้หมอบชันทะก่อนได้ยังลุกไปนิ่ฉะนั้นต้องบัดตายจิตติ นี่เวลาประชุมกันท่านบอกต้องพร้อมเพียงกันประชุมเล็กเล็กพร้อมกันถ้าไปอย่างนั้นไม่ขออนุญาตเขาก่อนถือว่าเป็นการทำลายสามมิติออกจากที่ประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้แปลบัตปาจิตตีปาจิตจตีตัวนี้แสดงว่าไม่เคารพในความเป็นมาของสงแั้นในโมทสงไปไหนละ่ะโลกนรกไปนี่ท่านผู้รู้ท่างหลายนะระวังระวังหน่อยนะ เนี่ยรูปเยอะป ร, ะริญ เ, 10, เยยก้าปริญสิบปริญญาอะไรต่อปริญญาอะไรแล้วก็เอามาทำเน็บแนมถอดถอนความดีของพระพุทธศาสนาขนาดพ้าเดินขบวนนี่ยังไม่มีโทษอย่างนี้เนี่ยหล่อเลี้ยงกันเขาไว้แต่ความชั่วตัวเองก็ลงนรกด้วยนี่สาหรับสิขาบท 11, ที่สิบเอ็ดที่สุพร้อมกับสงให้จีวรเป็นบำเหน็จแก่พระสูรูปใดรูปหนึ่งแล้ว ไา้หลังกับปีเตียนที่สูอื่นว่าให้พระเห็นกันหน้ากันต้องบัดปายิตี